เสียงอ่านหนังสือเรื่องหลวงพ่อเพียงแต่เล่าให้ฟังทุกคนกคน็ต้องพยายามฝึกหัดปฏิบัติขัดเกลาตัวเองก า, ย า, ากรได้ยิน การได้อ่านการได้ฟังหนังสือตำราครูบาอาจารย์มีเยอะแยะเราต้องพยายามสร้างครูบาอาจารย์คอยตรวจสอบจิตของเราตลอดเวลาจิตของเรานี้เปรียบเสมือนกับลูกศิษฐ์ว่าสอบได้หรือสอบตกแต่ละวันจิตของเราหลงอะไรลึกลงไปจิตของเราหลงความคิดหลงอารมณ์ได้อย่างไร สิของเราเกิดส่งไปข้างนอกได้อย่างไรเราต้องทําความเข้าใจอริยสัจสี่เป็นลักษณะอย่างนี้รูปนามเป็นลักษณะอย่างนี้การแยกรูปแยกนามสัมมาทิฏฐิข้อแรกในอริยมรรคมีองค์8เปิดทางให้เป็นอย่างนี้เราต้องพยายามเข้าถึงด้วยรู้ด้วยเห็นด้วยถึงจะเป็นบุคคลที่มีศักยภาพสูง เดินได้ถึงจุดหมายปลายทางไม่ใช่เที่ยววิ่งสแสวงหากลุบารา์ารย์สแสวงหาสิ่งโน้นสิ่งนี้สแสวงหานอกกายถ้าเรารู้ความจริงแล้วเราก็พยายามเดินเข้าไปสู่ในกายของเราให้ถึงจุดหมายปลายทางการได้ยินได้ฟังได้อ่านผู้คนมีกันเต็มเปี่ยมต้องพยายามเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางนะ ทุกคนก็เป็นเพชรหมดไม่ใช่ว่าจะเป็นเพชรคนเดียวจะได้เจรณาไหนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่นั้นก็อีกอย่างหนึ่งทุกคนก็มีจิตที่เป็นเพชรหมดจะมีอสวกิเลสเข้าไปหมักหมมมากน้อยเท่านั้นเองต้องพยายามชำระาาสารสังกิเลสออกให้หมดเพื่อจะถึงความบริสุทธิ์ได้เองคําถาม สะสมแต้มจากการดูจิตขณะขับรถเพิ่งคนพบกุศโลบายที่ทำให้ตัวเองเป็นคนใจเย็นขณะขับรถแต่ก่อนใจร้อนขับรถเร็วมีอัตตาแรงใครข้ามแสงห้ามปาดเพราะมีเอาคืนใจแคบไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปัจจุบันใช้วิธีจิตดูจิตเวลามีใครขับรถมาทำให้เราจิตเกิดจะรีบตรวจเช็คว่าจิตเกิดไหม แล้วตกให้มันเข้าที่ทันทีจากนั้นก็บอกกับตัวเองว่าได้สะสมบุญอีกหนึ่งแต้มนับแต้มสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงที่ทำงานหรือที่บ้านตอนนี้ขับรถสุภาพขึ้นเยอะเลยคนอื่นอาจจะมองว่าไม่แปลกแต่ตัวเองคิดว่าพบการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แถมประหยัดน้ํามันอีกต่างหากหลวงพ่อตอบ มันไม่แปลกหรอกถูกแล้วแหละที่ทำอย่างนี้พยายามทำให้ตลอดและเปรียบเทียบกันตอนที่เรายังไม่เคยฝึกไม่เคยสนใจตรงนี้กับช่วงที่เรามาสนใจฝึกแล้วความทุกข์ของเรามันคลายลงได้มากเท่าไรเราควบคุมจิตได้มากเท่าไรเราต้องพยายามที่เรียกว่าฝึกดูจิตหรือจิตดูจิตที่ถูกคือสตินั่นแหละหรู้จิต ตัวเกิดนั่นคือตัวจิตตัวรู้ตัวจิตนั่นคือตัวสติไม่ใช่ว่าตัวจิตดูจิตตัวสติคือตัวที่ไปรู้ว่าจิตของเราเกิดจิตเกิดเราก็รู้จักดับการดับการควบคุมนั่นแหละเขาเรียกการควบคุมจิตในระดับหนึ่งเป็นการควบคุมจิตแต่ยังแยกรูปแยกนามไม่ได้ถ้าแยกรูปแยกนามได้ เราต้องแยกจิตออกจากขันห้าได้หรือว่าแยกตัววิญญาณที่จะเข้ามารวมกับความคิดนั่นแหละถึงจะเดินเข้าสู่วิปัสนาได้ถูกแล้วละ่ะพยายามดำเนินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางคำถามจิตดูจิตดูอย่างไรต่างกับวิปัสนาอย่างไรหลวงพ่อตอบ เราต้องพยายามสร้างสติเข้าไปทำความเข้าใจกับจิตมันถึงจะถูกถ้าเราแยกรูปแยกนามได้ถึงจะเรียกว่าวิปัสนาถ้าอย่างแยกรูปแยกนามไม่ได้ไม่ใช่วิปัสนาเด็ดขาดถึงจะพิจารณาในธรรมข้อไหนหรือยกธรรมข้อไหนขึ้นมาพิจารณามันก็ยังเป็นกิเลสธรรมยังเป็นปัญญาโลกีอยู่คาถาม ธรรมะที่เป็นกลางเป็นอย่างไรเคยฟังเทพธรรมะท่านบอกว่าอยากคิดว่าตนเองดีกว่าเขาเรวกว่าเขาหรือเสมอกับเขาตอนนั้นก็งงมากสงสัยว่าตกลงจะอยู่ตรงไหนกันแต่ตอนนี้พอจะเข้าใจนิดหน่อยว่านั่นเป็นธรรมะที่ช่วยให้ใจของเราเป็นกลางจะได้ไม่มีอคติลำเอียง เรียนถามว่าที่จริงแล้วมีอะไรอยู่เบื้องหลังของคำสอนนี้หลวงพ่อตอบก็ความเป็นจริงในชีวิตนั่นแหละเราต้องหาความเป็นจริงในกายของเราให้เจอเสียก่อนไม่เข้าข้างตัวเองไม่เข้าข้างคนอื่นทำใจของเราให้เป็นกลางก่อนที่จะเห็นความเป็นกลางได้เราต้องเจริญสติเข้าไปแยกรูปแยกนาม ชำระศาสสังกิเลสเจริญพมวิหารให้มีให้เกิดขึ้นตลอดเวลามองโลกในทางที่ดีคิดดีถ้าจิตของเราปล่อยวางหรือว่าแยกรูปแยกนามได้เราจะมองเห็นความเป็นกลางเข้าใจเรื่องอัตตาเข้าใจในเรื่องอนัตตาเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจให้ละเอียดเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาถ้าจิตเกิดอัตตาก็เกิด ถ้าจิตของเราว่างเราก็มองโลกของเรานี้เป็นของว่างจิตของเราเป็นธรรมเราก็มองเห็นโลกนี้เป็นธรรมขณะนี้จิตของเราอย่างแยกรูปแยกนามไม่ได้เราก็มองเห็นโลกนี้เป็นโลกียอยู่คำถามประสบการณ์การเจริญสติเป็นอย่างไรไม่เคยเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมที่ไหน ศึกษาเองมาเป็นปีแล้วศึกษาแล้วลองนำไปปฏิบัติดูมีวันหนึ่งนั่งคุยกันอยู่หลายคนเกิดฝนตกหนักช่วงหนึ่งเกิดฟ้าผ่าลงมาเสียงดังทุกคนสะดุ้งตกใจกันหมดก็ไม่ได้สนใจอะไรรู้สึกเฉยเฉยฟ้าผ่ารู้ว่าฟ้าผ่าห่างจากเรามากไม่มีอันตรายอะไรกับเราก็เลยไม่สะดุ้งตกใจอะไรจนมีคนเอ่ยว่า แปลกนะทุกคนเขาตกใจกันหมดมีเราคนเดียวนั่งเฉยๆเหมือนไม่รู้สึกอย่างนี้ใช่เป็นผลจากการเจริญสติไหมหลวงพ่อตอบก็เป็นผลจากการเจริญสติด้วยรู้จักควบคุมจิตด้วยและก็จิตวางเป็นธรรมชาติรับรู้ไม่หวั่นไหวไม่ภาวาอันนี้ยังเดินปัญญาขั้นสูงไม่ได้เพราะว่า ถ้าเปรียบก็เสมือนกับขันที่ยังความอยู่แต่ก็ใครถูกได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าสูงขึ้นไปอีกเราต้องพยายามหัดสังเกตตัวความคิดหรืออาการของขันห้าจะปุดขึ้นมาและจิตของเราจะเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรนี่แหละถ้าเราสังเกตแยกตรงนี้ได้จะเดินเข้าสู่วิปัสสนาได้อันนี้ถ้าพูดตามหลักธรรม คือเป็นสมาธิสมถะ ธ, ธรรมชาติที่มีอยู่เราก็ต้องพยายามหัดสังเกตเดินปัญญาสังเกตแยกความคิดหรือว่าแยกจิตออกจากความคิดซึ่งจิตกับความคิดนี่เขาเกิดเกิดตับตับร่วมกันอยู่แล้วเราพยายามสังเกตให้ได้ละเอียดตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาคำถามปฏิบัติกรรมาฐานมีกี่แบบ ขี่สายหลวงพ่อตอบก็แล้วแต่จะเลือกเอาเจริตของเราชอบอย่างไรเราก็เอาอย่างนั้นตามความเป็นจริงแล้วการปฏิบตัติการประพฤติกรรมฐานนั้นก็ตั้งลงอยู่ที่กายของเรานี้แหละก็มีฐานเดียวอยู่ที่กายของเรานี้แหละถ้าออกจากกายของเราแล้วมันก็นอกกายทันทีปฏิบัติลงอยู่ที่กายของเรา จะวิธีไหนก็ช่างอย่างไรก็ช่างขอให้เน้นลงอยู่ที่กายอย่างเดียวเราพยายามเจาะลึกให้เข้าถึงจิตของเราให้ได้เป็นการแยกรูปแยกนามเดินปัญญาเข้าสู่วิปัสสนาตรงนั้นสาคัญเราต้องชราระสารกิเลสนี่แหละไม่ต้องออกนอกกายของเราถ้าออกนอกกายของเราแล้วอันนั้นยิ่งห่างไกล เอากายของเรานี้แหละเป็นฐานเป็นที่ตั้งเป็นสมรภูมิลบกับกิเลสพยายามเน้นลงที่กายอย่างเดียวคําถามนั่งสมาธิที่ถูกต้องต้องสําเนียงด้วยหรือไม่การนั่งสมาธิไม่ใช่แนวเดียวในการปฏิบัติธรรมคนมากมายหลงไปในรูปแบบว่านั่งสมาธิเท่านั้นคือตัวแทนของการปฏิบัติธรรม ผมขออัญเชิญจากพระไตรปิฎกซีดีรอมพระวินัยปิฎกเล่มหนึ่งตอนที่178ดังนี้ทรงแสดงอานาปานาสติสมาธิกถาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จเข้าสู่อุปิฐานศาลาประทับนั่งเหนือพุทธาฏที่จัดไว้ถวายแล้วรับสั่งกภบบิกษุทั้งหลายว่าดูก ร, ราภิกษุทั้งหลาย แม้สมาธิในอนาบา น, นาสติน้แลอันภิกษุอบรมทำให้มากแล้วย่อมเป็นคุณสงบประณีตเยือกเย็นอยู่เป็นสุขและยังบับอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบไปโดยฉับพลันตุดละองและฝนที่ฟุ้งขึ้นในเดือนท้ายฤดูร้อนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยไม่ใช่ฤดูกันย่อมยางละองและฝนนั้ น, น, น ให้อันตรธานสงบไปได้โดยฉับพลันฉะนั้นดูกะระภิกษุทั้งหลายก็อนาปาันาสติสมาธิอันภิกษุอบรมอย่างไรทำให้มากอย่างไรจึงเป็นคุณสงบประนีดเยือกเย็นอยู่เป็นสุขและยังบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบไปโดยฉับพลันดูกะระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยู่ในป่าก็ตามอยู่นาโคนไม้ก็ตามอยู่ในสถานที่สงัด ก, ก็ตามนั่งครูบาลังตั้งกายตรงดารงสติบ่หน้าสู่กรรมฐานภิกษุนนั้นย่อมมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกว่าหายใจเข้ายาวหรือเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกว่าหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกว่าหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกว่าหายใจออกสั้นย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนีกว่า เราจักระงับกายสังขารหายใจออกย่อมสำเหนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งปิติหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งปิติหายใจออกย่อมสำเหนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งสุขหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งสุขหายใจออกย่อมสำเหนียกว่า เราจักรู้แจ้งซึ่งจิตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งจิตสังขารหายใจออกย่อมสำเหนียกว่าเราจักระงับจิตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่าเราจักระงับจิตสังขารหายใจออกย่อมสำเหนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งจิตหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่า เราจักรู้แจ้งซึ่งจิตหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักยังจิตให้บันเทิงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักตั้งจิตไว้มั่นหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักตั้งจิตไว้มั่นหายใจออกย่อมสำเนียกว่า เราจกร <igi> ักปล่อยจิตหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักปล่อยจิตหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นธรรมอันไม่เที่ยงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นธรรมอันไม่เที่ยงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นวิราคะหายใจเข้า ย่อมสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นวิราคะหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นนิโรธหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นนิโรธหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นปฏินิสักคะหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่า เราจับพิจารณาเห็นปฏินิสักคะหายใจออกดูกราภิกษุทั้งหลายอน า, าปานาสติสมาธิอันภิกษุอบรมแล้วอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้แลจึงเป็นคุณสงบประนีตเยือกเย็นอยู่เป็นสุขและอย่างบากอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบไปได้โดยฉับพลันหลวงพ่อตอบ เป็นคำถามที่ดีมากทีเดียวยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายทุกอิริยาบถถ้าเรามีสติรู้จักสังเกตรู้จักวิเคราะห์นั่นแหละคือการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมทุกชนิดจุดหมายปลายทางก็คือชำระาาสารกิเลสทำจิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะยืนเดิน นั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเราต้องพยายามทําความเข้าใจสํารวจให้ได้ทุกอิริยาบถไม่จําเป็นต้องเอาเฉพาะเวลานั่งถึงแม้เวลานั่งจิตของเราไม่เป็นสมาธิมันก็ฟุ้งซ่านถึงยืนเดินนั่งนอนจิตของเราสงบมันก็เป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาจะเป็นสมาธิระดับไหนเท่านั้นเอง สมาธิระดับการข่มเอาไว้หรือการบังคับหรือว่าระดับแยกแยะรู้เห็นตามความเป็นจริงตามธรรมชาติที่แท้จริงเราต้องหัดวิเคราะห์หัดพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลจริงๆเราถึงจะเข้าใจความหมายตรงนี้ได้ต้องพยายามทำกันต่อไปคำถาม เรียนถามถึงการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจนรู้สึกว่าขนลุกสู้แล้วเกิดอาการกับร่างกายคือมือมันสรรั่นๆหยุดหยุดแต่ก็อยู่แค่นี้ไม่ทราบว่าจะข้ามก้าวต่อไปอยังไงหลวงพ่อตอบเรานั่งสมาธิมาถึงระดับนี้มันก็เกิดอาการขึ้นทางกายเราพยายามรักษาสติ รักษาความปกติของจิตไว้ขณะที่จะเปลี่ยนอีริยาบทเราก็พยายามรักษาความปกติและหมั่นฝึกฝนสติของเราเอาไปใช้หมั่นเอาไปสังเกตเอาไปวิเคราะห์จิตปกติหรือไม่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจิตปกติหรือไม่เราพยายามหัดสังเกตหัดวิเคราะห์ถ้าการของความคิดมันผุดขึ้นมา จิตของเราจะเคลื่อนเข้าไปรวมเราก็พยายามสังเกตให้เห็นตั้งแต่เขาเริ่มก่อตัวจิตจะเคลื่อนเข้าไปรวมสติสังเกตตรงนี้ทันจิตเขาจะดีดตัวออกจากความคิดตรงนั้นถึงจะเรียกแยกรูปแยกนามได้ก็จะเรียกวิปัสสนาถ้าจิตจะส่งออกไปภายนอกเราก็รู้จักดับดับเขาให้นิ่งเสียก่อนแล้วค่อยๆเอาสติไปวิเคราะห์ เอาไปใช้ทาหน้าที่แทนจิตของเราพยายามดำเนินพยายามหมั่นสังเกตดังที่เล่ามาให้ฟังนี้สักวันหนึ่งก็คงจะเข้าใจคําถามคติธรรมประจำใจที่ใช้อบรมจิตคืออะไรอยากถามว่ามีคติธรรมประจําใจใดที่ใช้อบรมจิต เพื่อไม่ให้ออกไปนอกกายและใจของตัวเองหลงพ่อตอบและอายต่อบาปสร้างเฉพาะสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่เป็นอกุสลเราก็ละสิ่งไหนที่เป็นภูษนเราก็พยายามเจริญให้มีให้เกิดขึ้นขยันหมั่นเพียรชำระสารกิเลสอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ความอยากนิดเดียวก็อย่าให้เกิดที่จิต มองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดีทำจิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์คำถามการสำรอกกิเลสนี้มีสภาวะอย่างไรบ้างคะหลวงพ่อตอบการชำระสารกิเลสนั่นแหละเรารู้จักละรู้จักดับแล้วเจริญพรวิหารเข้าไปทดแทน ไม่ใช่จะละแต่กิเลสแต่ไม่รู้จักเจริญพร ม, มิหารเข้าไปทดแทนเราต้องพยายามเจริญพร ม, มิหารเข้าไปทดแทนสมมุติว่าจิตของเราเกิดความโลภเราก็พยายามละความโลภรู้จักบริจาครู้จักเอาออกรู้จักให้แล้วก็เจริญพรมิหารเข้าไปทดแทนจิตเกิดความกโกรธเราก็ดับความกโกรธพยายามสร้างความเมตตา มองโลกในทางที่ดีคิดดีไม่อคติไม่เพยงโทษมันก็มีสิ่งทดแทนกันอยู่ตลอดจิตของเราเกิดกิเลสเราก็รู้จักดับถ้าเราไม่รู้จักดับมันก็เพิ่มเอาอาหารให้กิเลสเราทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกิเลสแล้วกิเลสจะออกไปเรื่อยๆแต่ส่วนมากไม่ใช่อย่างนั้นพอกิเลสวิ่งเขามากลับไปวิ่งอ้าแขนรับทันที ดีใจมันก็เพิ่มปุญกิเลสไปเรื่อยแทนที่จะเอาออกมันกลับเอาเข้าพยายามเอาออกให้หมดแม้แต่บุญผุศลเราก็เอาออกแต่เราก็ยังอยู่กับบุญแต่ไม่ให้ยึดช่วงที่ไม่เข้าใจก็อยากจะได้แต่บุญอยากจะทําแต่บุญเลยติดบุญถ้าเราเข้าใจเรื่องบุญเราทําบุญแต่ไม่ติดบุญเราทําเพื่อให้เกิดประโยชน์ ถึงเราไม่อยากได้ประโยชน์นั้นเราก็ได้เองคําถามนั่งสมาธิแล้วรู้สึกมีความสุขแบบบอกไม่ขูกแล้วทำอย่างไรต่อมันเหมือนอยากนั่งอีกมันชอบมันน่านั่งอีกมันมีความสุขไม่รู้จะบอกยังไงทำไมถึงมีอาการแบบนั้นไม่รู้ดีไม่ดียังไงหรือต้องทำอะไรต่อ หลวงพ่อตอบมันดีในระดับหนึ่งขณะที่เรานั่งนั้นจิตของเราสงบจิตของเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นต่างๆจิตก็เลยเกิดความสงบเราอย่าเอาแค่เพียงสงบเวลาเราเลียนอิริยาบถเราต้องพยายามรักษาความสงบนั้นและรักษาสติด้วยเราสร้างสติด้วยรักษาความสงบด้วย เราก็จะได้รับความสงบทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเราลึกตรงไปเราพยายามชำระกิเลสออกจากจิตจักใจของเราด้วยพยายามทําต่อไปเรื่อยๆนะคําถามธรรมะสาหรับผู้เริ่มต้นหากว่าเราไม่ค่อยได้ลงลึกในการอ่านหนังสือธรรมะ สัพทางธรรมะบางคำยังจำไม่ได้ว่าหมายถึงอะไรลืมบ้างจำได้บ้างแต่รอบๆตัวมีผู้รู้ธรรมะที่บ้านก็ชอบศึกษาธรรมะอยากเริ่มปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังตอนนี้ก็เริ่มดูจิตก็รู้ตอนมันเกิดไปแล้วนึกได้ก็ดูการเริ่มต้นที่ตรงนี้ถูกต้องแล้วหรือเปล่าคะหลวงพ่อตอบ การประพฤติถูกต้องมาก่อนแล้วเพราะว่าทุกคนว่าปฏิบัติธรรมกันมาตั้งแต่ชาติก่อนๆไม่ใช่เพิ่งเาเริ่มปฏิบัติแค่ช่วงที่เรามาปฏิบัติธรรมตอนนี้ตามความเป็นจริงทุกคนก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทีนี้การสำรวจการทำความเข้าใจความขยันหมั่นเพียรเราต้องสังเกตหมั่นทาในใจอย่างเนืองเือง มันวิเคราะห์มันสังเกตอยู่บ่อยๆ อ, อย่าไปเลือกการเลือกเวลาเอาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจิตของเราปกติอยู่หรือไม่หรือจิตของเราฟุ้งซ่านจิตของเราเกิดความกังวลเกิดความลังเลเราต้องรู้จักดับรู้จักควบคุมจิตควบคุมอารมณ์ถูกแล้วทำไปเรื่อยๆสักวันจะเดินถึงจุดหมายปลายทางเอง อย่าไปคิดว่าตนเองไม่ได้ปฏิบัติมาคำถามการทำงานต้องใช้สมาธิตลอดใจจะมุ่งแต่กับงานนึกได้ก็เมื่อมีช่วงเว้นว่างบ้างก็ตามดูถูกต้องหรือไม่คะหลวงพ่อตอบถูกต้องอยู่ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถูกในส่วนลึกๆลงไปตามความเป็นจริงแล้ว เราต้องทำความเข้าใจกับจิตให้ละเอียดเสียก่อนถ้าเราทำความเข้าใจกับจิตของเราให้ละเอียดแล้วเราก็จะเอาภาระหน้าที่การงานเป็นตัวปฏิบัติทำงานไปด้วยให้จิดรับรู้ไปด้วยขณะ น, นี้สติของเรายังไม่ต่อเนื่องเราจะดูงานข้างนอกก็เลยพลัง้งเผลอข้างในจะเอาข้างในก็เลยพลัง้งเผลอข้างนอก แต่เราก็ต้องทำควบคู่กันไปสักวันสักเวลาหนึ่งก็จะเต็มรอบเองพยายามทำไปให้ถึงที่สิ้นสุดนะคำถามการที่เราเป็นคนที่ไม่โกรธใจเย็นนิ่งๆทำให้เราไม่มีโจทย์ในการมาฝึกดูจิตหรือเปล่าคะหลวงพ่อตอบโจทย์มีอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมา ถ้าเรารู้จักมันเอาสติไปใช้รูปรสกลิ่นเสียงนั่นแหละคือตัวโจทย์ที่แท้จริงตากระทบรูปจิตของเราปกติไหมหูกระทบเสียงจิตของเราปกติไหมรูปรสกลิ่นเสียงเป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เราตลอดเวลาให้จิตของเรานิ่งรับรู้อยู่ภายในจิตของเราเกิดความโลภ เกิดความยินดียินร้ายเราต้องรู้จักดับรูปรสกลิ่นเสียงนั่นแหละเป็นโจทย์ที่แท้จริงคำถามเวลาดูรายการที่เศร้าๆสารคดีเกี่ยวกับชีวิตคนที่น่าสงสารตอนนั้นเราจะรู้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวใจจะรู้สึกอย่างไรเช่นหอเหี่ยวสงสาร แบบนี้เรียกว่าดูจิตด้วยหรือไม่คะหลวงพ่อตอบเรียกว่ารู้จิตอยู่แต่การควบคุมจิตการสร้างความเข้มแข็งให้จิตตรงนั้นยังไม่มีตัวจิตของเรายังไปเสวยอารมณ์นั้นอยู่เราต้องให้จิตของเรานิ่งรับรู้ถ้าเราพอที่จะช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือด้วยสติช่วยเหลือด้วยปัญญาให้จิตของเราอยู่ในอุเบกขา รับรู้อยู่อย่าให้จิตของเราเข้าไปร่วมหรือในภาษาโลกโลกเขาเรียกว่าเข้าไปอินต้องพยายามให้จิตของเรานิ่งรับรู้อยู่ภายใน